ขอร้อน้อมต่อตคุณพระรัตนตรัยขอการเพื่องสะทษฐมิกทุกท่านจเจริญธรรมแมชีในญาติธรรมทุกท่านนะเมื่อกี้เราก็ได้สวดมงคลลสูตรไปนะมงคลลสูตรนี้นะจริงๆแล้วก็เหมือนกับสิ่งที่อยู่ในอาชีพประจำวันของเรานี่เองนะหลายๆอย่างนะมันจะเป็นแบบนั้นว่า ความเป็นมงคล น, นั้นนะก็อยู่ในตัวเราเองนั่นแหละนะว่าเราได้ทำสิ่งใดไปนะถ้าหากว่าการกระทํานั้นเป็นไปเพื่อความนะถูกต้องนะเป็นไปเพื่อความไม่เศร้าโศกต่างๆนะนะทำไปเพื่อให้กิเลสเราลดน้อยลงสิ่งต่างๆเหล่านั้นก็เป็นมงคลทัาม้อนนะก็เริ่มต้นด้วยการที่ว่าเสวนาจะพาลานัง บัณฑิตานันยเสวนาปูชาจะปูชนียานังตัมมังคณมุตตมังนะก็คือการที่เร า, เาไม่ครบคนพานนะครบต่บันดิตนะแล้วก็บูชาบุคคลผู้ที่ควรบูชานะอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่เริ่มต้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่านะการที่เราครบค น, นมีความสําคัญมากเนาะ เราครบคนไม่ดีก็ชักนำเราไปในทางไม่ดีนะเราจะเห็นดูวันเนี่ยคนเราเนี่ยมีหลายกลุ่มนะสมัยที่อาตมายังอยู่ในช่วงใบรุ่นก็จะมีเพื่อนหลายกลุ่มนะตอนที่เรียนหนังสืออยู่ก็มีกลุ่มกลุ่มเที่ยวก็มีน ะ, ะบางทีก็เรียนสแกนนัดกันเออเดือนนี้จะไปไหนไปเที่ยวไหนนะหรือว่าไปทำอะไรนะไป ไปจะไปที่ไหนอะไรต่างๆเหล่านี้นะอันนี้ก็เป็นกลุ่มหนึ่งนะบางกลุ่มก็ว่าเออนัดกันนะไปเออไปดูหนังสือร่วมกันนะไปติวหนังสือร่วมกันนะก็มีนะอันนี้ถ้าเป็นกลุ่มโตขึ้นมาหน่อยก็จะมีเ อ, อ้เดี๋ยว อ, อ่าอาจจะไปไปเที่ยวไปร้านอาหารไปอะไรเงี้ยนะมันจะนัดกันไปเป็นกลุ่มๆเลยมันจะแยกกันไปนะ เพราะนั้นสังเกตดูถ้ากลุ่มไหน เ, เขาไปเรียนหนังสือนะกลุ่มไหนไปเที่ยวไปในทางาในทางไม่ดีเนี่ยมันจะต่างกันนะอนาคตมันจะต่างกันเยอะเลยนะต่างกันหรือว่าถึงทุกวันนี้ก็เห็นความแตกต่างแต่ละกลุ่มมันจะแตกต่างกันนะพวกที่ถ้าไปในทางไม่ดีมันก็จะไปทางหนึ่งส่วนพวกไปในทางดีก็สามารถไปทางได้นะเป็นสิ่งเราพิสูจน์ได้ ในทางโลกนะไม่ยากนะส่วนในทางธรรมนี่เราก็พิสูจน์ได้ไม่ยากนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็มีาการที่เรียกว่าเราครบนะบัณฑิตใช่ไหมเราจึงนารวมกันที่วัดป่าสุวตโตนี่แหละเพราะว่าเรามีครูบาอาจารย์นะเป็นบัณฑิตคบบัณฑิตนะนมะีหลวงพ่อคาเขียนนะพระอาจารย์ไปสารเป็นต้นนะเป็นบัณฑิตที่เรียกว่าเราเราเร า, เราครบหาท่านนะ เเราคบบันดิตท่านก็สอนแต่ในทางที่ดีกับเราให้เรามีอสติมีความรู้สึกตัวนะสิ่งต่างเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่าเราได้ครบกรร บ, บันดิตแล้วเนี่ยเราก็เป็นมงคลในชีวิตเรานะเราก็จะเห็นว่าชีวิตเราก็ง่ายขึ้น่าเก่านะนะแต่ถ้าในทางตรงข้ามนะนะบางวัดก็ไปอยู่กับคบาารูบาอาจารย์บางบางท่านนท่านก็อาจจะสอนเหมือนกันนะแต่ว่าท่านอาจจะไม่รู้จริง สอนแล้วก็ผิดทางไปเลยก็มีใช่ไหมเราก็อาจจะเคยได้ยินข่าวนะไปติดคือสอนแล้วไปติดนั่นแหละนะติดทั้งฤทธิ์ทั้งเดชอภิยนิหารต่างๆนะหรือไปบัตดก็จะไม่เคยถูกต้องนะสอนให้ต่างๆที่เรียกว่าไปติดในนิมิตต่างๆก็มีนะติดความส ง, งบอะไรเงีย้ยเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะซึ่งนั้นก็จะไม่ผิดทีเดียวหรอกแต่ว่ามันก็เป็นการที่เรียกว่าเราเสียเวลากันนะไปวกไปวนนะไป เดินอ้อมนะของเรานี่จริงๆแล้วก็เราถือว่าโชคดีนะเพราะเราเป็นสายตรงสายตรงในการที่เรียกว่าเราเข้ามาศึกษาร่างกายจิตใจเราโดยตรงนะโดยเพราะกลับมาศึกษาใจของเราเนี่ยโดยตรงที่ว่าเขาแสดงอาการตามความเป็นจริงอย่างไรเราก็รู้ไปเช่นนั้นนะรู้โดยเราไม่ไปบังคับเขาให้เป็นไปเท่ตามที่เราต้องการแต่เราอาศัยาการรู้ตามความเป็นจรงิง ที่เขาแสดงสภาวะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นหั้ตาที่บังคับเป็นชาไม่ได้ต่างๆเหล่านี้ออกมาเพื่อจะให้เห็นว่าเขาไม่ใช่ตัวเมตนของเราอันนี้อันนี้เป็นสายตรงนะส่วนสายอ้อมก็มีเยอะแยะเลยนะให้เราไปติดความสงบบ้างไปติดนิมิตต่างๆบ้างติดในฤทธิ์เดต่างๆนนั้บ้างนั้นเป็นสายอ้อมเท่านั้นเลยเพราะว่ามันมันจะมองไม่เห็นในพระไตรลักษณ์นะพอมองม่เห็นในพระไตรลักษณ์มันก็จะไปไปยึดมั่นถือมั่นในความเป็นตัวตน ต่างๆนะมันก็เนะมื่อจิดมันมถึงมาในตัวตนแล้วก็จะมีสิ่งต่างๆมมาเยอะแยะนะตัวกูของกูต่างๆเราเนี่ยมันก็จะมีะกิเลสของเรานะมีความโลภความโกรธความหลงก็เป็นของเราหมดนะเพราะนัมันจึงออกไม่ได้นะมันก็คือไปติดอยู่เท่านั้นเองเป็นความเป็นครั้งเป็นคราวนะคือเขาจะเป็นครั้งเป็นคราวเท่านั้นเองเขาจะไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทัศนคติในความที่จะมาเห็นในความเป็นจริงในตรงนี้ว่าทุกอย่าง บงังคับปัญชาไม่ได้นะแต่เขาจะเป็นแค่รู้ว่าเป็นบางคังบังคับเพราะว่าเขาติดในสภาวธรรมนั้นอยู่นะตรงนี้ก็เรียกว่าเสียเวลานะเป็นทางอ้อมเนี่ยพันธุ์การคบบัณฑิตเนี่ยจึงว่าออประการแรกเราก็ต้องดูว่าเป็นบัณฑิตจริงหรือเปล่าถ้าเรามีสายตาไม่ดีแล้วก็อาจจะหลงทางไป้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จริงนะแต่เถือว่าพวกเราก็โชคดีในระดับหนึ่งว่าพวกเราก็พอจะอาจจะเป็นคนที่มีสายตาดีพอสมควรนะ แล้วพอจะมีความรู้เนี่ยเราก็เลยรู้ว่าเอออบัณฑิตอยู่ที่ไหนบ้างนะเราก็แสวแงหาบัณฑิตนะตอนนี้ถึงแม้ว่าอหลวงพ่อไม่อยู่แล้วน ะ, ะเป็นบัณฑิตใหญ่นะแต่จริงๆแล้วก็ยังอยู่ครบนะใช่ไหมเราได้ฟังธรรมจากท่านเกืบทุกวันได้ฟังธรรมจากท่านกืบทุกวันแล้วเราก็ได้เห็นท่านจริงๆแล้วได้เห็นท่านทุกวันด้วยน ะ, ะถ้าใครมาทําวัดที่นี่จะเห็นท่านทุกวันนะท่านก็อยู่นั่งกับพวกเราเนี่แหละใช่ไหมไม่ได้ไปไหนใช่ไหม จิงๆแล้วท่งางก็อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะคำสอนทั้งหมดของท่านนั่นแหละคือสิ่งที่เราได้พบได้ไปจักนี่แหละท่านอยู่กับเรานะเหมือนที่พระเจ้าบอกว่าผู้ใดเกาะชายเพเลื่องอยู่ก็ไม่ชื่อว่าอยู่ใกล้เรานะแต่ผู้ใดที่ประพฤติตามเรานั่นแหละผู้นั้นก็ชื่อว่าอยู่กับอยู่กับเรานะได้เห็นเราผู้ใดเห็นทรามผู้นั้นเห็นตถาคตเพราะฉะนั้นผู้ใดถ้าใครที่ทําตามหลวงพ่อสอนนะ เช่มีความรู้สึกตัวต่างๆในตัวนั้นนี่ก็ชื่อว่าเราเห็นหลวงพ่อนะเราได้อยู่หลวงพ่อนะแต่ถ้าเราไม่ได้ประพฤติตามหลวงพ่อสอนแล้วก็เราก็ไม่ได้อยู่หลวงพ่อหรอกใช่ไหมเราก็แสดงว่าเราก็ไม่ได้คิดถึงหลวงพ่อนะพราะเราไม่ทาตามท่านเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าเราเราก็อยู่กับหลวงพ่ออยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวอย่างที่ท่านสอนนั่นแหละใช่ไหมทางก็อยู่ในตรงนี้กับเราไม่ได้หายไปไหนนะเพราะฉนั้นถ้าถึงท่านไม่อยู่แล้วเราก็จะคิดว่าเรา ต้องไปที่อื่นเนียไปปฏิบัติที่อื่นไปหาครูบาอาจารย์ที่อื่นต่างๆเหล่านี้อันนี้ที่ในความคิดนออุตตมาว่ามันไม่จําเป็นนะเพราะเราไปเกิดไปที่อื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเหมือนกับเราถ้าเราไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไมเรียกว่าไม่หนักนั่นร่างกาย บ, บของเรายังไม่ไม่เพียงพอเต็มที่เราเหมือนก็บเป็นต้องไปต้องไปเริ่มต้นใหม่มทุก <c ười> ๆครั้งนะเริ่มต้นใหม่แม้แต่ในด้นสายลมตะเทียนเหมือนกันนะมันก็ไม่ใช่ว่านั่นมันก็เหมือนกับเราต้องไปเริ่มต้นใหม่ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแ ล, ล้วถ้าเราไม่นั่น <c oughs> เราจะคุยเขวืไว้ได้ตลอดเวลาเลยจะไม่มีความมั่นใจในวิธีการปฏิบัติของเราเอง <c oughs> เราก็จะเหมือนกับเราต้องเริ่มต้นใหม่ทุกๆครั้งนะนะตรงนี้เป็นหนทางที่แล้วว่าเราก็เสียเวลานะหรือถ้าไปที่สถานที่อื่นไปเลยถ้าผิดแนวไปเลยก็ยิ่งเหมือนกับเริ่มต้นใหม่ น, หมนะก็เลยเสียเวลาหนักขึ้นเนาะแต่ถ้าเรามีความมั่นใจในตรงนี้แล้วว่าเออถึงแม้หลวงพ่อไม่ได้อยู่กับเรานะพระอาจารย์ไพศาลท่านก็อยู่นะ หรือเราก็มีกับแบบทำได้อยู่แล้วนะมันอยู่ที่ตัวเราเองนะถ้าเรามั่นใจตรงนี้เราก็ทําเราเองได้นะศึกษากายและใจนี่แหละมันไม่ต้องไปไหนเพราะว่าการแบบรม ท, ทั้งหมดมันก็ไม่ได้อยู่ไหนอยู่ที่กายและใจของเราเท่านั้นเองนะกายและใจเขาแสดงอะไรแสดงสภาวะที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอัตาตาต่างๆเราเห็นเนี่ยเราสามารถกลับมาเห็นในตรงนี้ได้ไหม <c oughs> เห็นความจริงในตรงนี้นั่นแหละแล้วเราก็จะเข้าใจเอง ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรม ท, ที่เราบังคับเขาไม่ได้เลยเราไม่น่าที่รู้ไปตามความเป็นจริงรู้ไปตามที่เขาเป็นเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่าบังคับให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการนะถ้าบังคับเป็นไม่ตามเราต้องการก็คืออันนั้นคือสมถะทั้งหมดนะเพราะเราจะมีการไปแทรกแซงนะไปควบคุมไปคมกด Hof, นะคีเาดานะ่เขาไปบังคับเขาต่างๆนะให้เขาเป็นไปตามเราต้องการะอันนั้นก็ไม่ใช่สภาวะธรรม ท, ท, ที่เป็นจริงนะ พ่าพระว่าทำได้เป็นจริงก็คืออะไรก็ได้ปรากฏขึ้นมาในกายและใจเราเนี่แหละอันนั้นคือความจริงแล้วนะความจริงที่เขาเกิดขึ้นมากของเขาเป็นเช่นนั้นเองเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเราก็มีหน้าที่รู้ไปตามที่เขาเป็นเท่านั้นนะจึงว่าเราเราเป็นผู้รู้นะเป็นผู้ดูนะเมือนกาบว่ารู้นะรู้เพียงแค่รู้ไม่ต้องทำนะทาก็คือไปบังคับกดข่มเขาไปาแสรกแซงเขานั่นเองนะเราก็รู้ไปตามความเป็นจริงนั่นแหละ เพราะสิ่งที่เรารู้นั่นก็คือความจริงนะอยู่ว่าเราจะกล้าอยู่กับความจริงไหมใช่ไหมแม้แต่เรามีความโกรธนะมีความไม่พอใจต่างๆนะถ้าเราเร า, เรารู้เฉยๆอย่างที่ครูบาอาจารย์บอกรู้เฉยๆรู้ซื่อๆนี่แหละก็คือไม่ต้องไปกดคมเขาไม่ต้องไปบังคับเขาไม่ต้องไปกําจัดเขานะถ้ารู้ซื่อๆแล้วเขายังอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เขาแสดงความจริงให้เราเห็นแล้วว่าเราก็บังคับเขาไม่ได้นะเขาก็อยู่กับเรานั่นแหละ แต่ว่าเมื่อเขาอยู่แล้วเขาต้องไปแน่นอนนะเขาไม่ไปเร็วก็ไปช้าอยู่ดีว่าเราสามารถที่จะกล้าอยู่กับเขาตามความเป็นจริงได้ไหมเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดดับโดยตัวเขาเองได้ไหมตรงนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นนะแต่เราไปบังคับเขาเมื่อมีความโกรธขึ้นแล้วต้องดับไปเร็วๆต้องมีความพยายามทําให้กระดับไปเราจะไม่เห็นสภาวะธรรมที่เขาเกิดดับตามความเป็นจริงแต่ว่าจะมีตัวเราเข้ามาเกี่ยวข้องนะตรงนี้เราจะไม่เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> การที่เราเห็นสภาวธรรมที่เกิดดับบ่อยๆตามความเป็นจริงนี่แหละมันจะมีประโยชน์มากนะดีว่าที่เราไปทําให้เขาเป็นไปตามที่เราต้องการ <c oughs> เพราะว่าจิตนี่จะเริ่มเข้าใจในสภาวธรรมทุกอย่างที่ว่าเข้ามาแล้วก็ไปนะสภาวธรรมทุกอย่างมาแล้วก็ไปก็ไม่ได้อยู่กับเราเที่ยงแท้ถาวรหรอกใช่ไหมถ้าหากว่าเขาเป็นของเราจริงเราก็จะเห็นว่าเขาก็ต้องอยู่กับเรานานนะอยู่กับเราตามเราต้องการก็ได้ใช่ไหมมีความพอใจมีความสุข ต่างๆนะลองดูดิให้เขอยู่เรานานๆอยู่ไม่ได้หรอกใช่ไหมไปหมดนะ่ะใช่ไหมนะความทุกข์กับแมงกันนะมีในใจเราก็อยู่ไม่ได้นานหรอกเขาก็ไปหมดเหมือนกันอันนี้คือความจริงเราต้องเห็นนะให้เห็นความจริงที่บ่อยๆมาแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ดับนี่แหละใจได้เข้าใจนะในสภาวะที่เราบังคับเขาไม่ได้เป็นความไม่เที่ยงเป็นความที่เขาทนในสภาวะเดิมไม่ได้นะตรงนี้ใจจะปล่อยวางได้เร็วขึ้นนะเพราะใจจะค่อยๆเข้าใจเขาไปซึมซับซึมซับก็คือเราสามารถที่จะค่อยๆ ให้เขารู้ความจริงไปเรื่อยๆนะจิตเรานี่มันเหมือนกับเด็กอ่เด็กเนะี่ยเราก็ต้งเหมือนกับเด็กเราคอยสอนนะมันจะต่างกันนะเด็กที่เด็กที่อยู่ตามที่ไม่ค่อยมีใครสอนที่มีคนสอนมันจะต่างกันนะเด็กที่ไม่ไม่มีใครสอนเนี่ยก็จะทําตามใจตัวเองทุกอย่างเลยนะบางทีทําชั่วก็ไม่รู้นะไปลักทรัพย์ไปขโมยของพูดโกหกอะไรเนี่ยไม่มีใครสอนเขาไม่รู้หรอกเขาเขาเป็นเรื่องเป็นปกติของเขาเขาจะทําอยู่เป็นประจำนะแต่ถ้ามีพ่อแมนะ่คอยสอนเด็ก ลูกนะอย่าโกหกอย่าดื้อยา่อย า, ยาลักขโมยอยา่าฆ่าสัตว์นะคือเราสอนเขาเนี่ยทุกวันทุกวันเขาจะค่อยๆซึมซับว่าสิ่งเหานี้ทําไม่ได้นะถึงเขาไม่เชื่อเราแต่มันจะซึมซับในใจของเขาพอเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ไม่ไปขโมยของไม่ไปฆ่าสัตว์ต่างเนี่ยเขาเองนะเพราะว่าเขามีสิ่งเหล่านี้ อ, อยู่ในใจแล้วในช่วงตัดสินใจไปทางขวาหรือทางซ้ายเนี่ยเขาจะตัดสินใจได้ถูกต้อง นะแต่ถ้าเราไม่ให้ข้อมูลเด็กเนี่ยเวลาถึงจุดหนึ่งเขาจะตัดสินใจไม่ถูกต้องก็ตัดสินใจผิดเนีง่ายมากเลยนะเพราะว่าก็มีข้อมูลที่ผิดอยู่ในสมองอยู่แล้วนะเด็กก็จะซึมซับจากเด็กด้วยกั น, นะ เ, นเด็กก็จะแนะนําในทางไม่ดีนะเนะพื่อนจะแนะนําในทางไม่ดีนะไปเสพยาเสพติดมั่งไปกินเหล้ามาั่งไปอะไรในทางไม่ดีตรงนี้เขามีข้อมูลอยู่แล้วนะถ้าเราไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเขายาผิดไปทางผิดได้ง่ายมากเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เด็กก็มือนก็จิตเรานะถ้าเรา เราคอยอบรมจิตอยู่เสมอนะให้เขารู้ความจริงในตรงนี้ในความที่เป็นนิจังทุกขณาตาบ่อยๆนะคือให้ข้อมูลในตรงนี้เขาบ่อยๆนะ <c oughs> เขาก็จะเข้าใจได้ถูกต้องนะตรงไหนที่เป็นหนทางถูกเขาจะเดินได้ถูกต้องเองเขาจะไม่ค่อยยึดถือไปเองเพราะเขาเห็นบ่อยๆแล้วเออมันบังคับมันชาไม่ได้นะมันเป็นเป็นแค่นั้นเองมันไม่ตัวเม่ตนของเราเนี่ยเมื่อเขาเห็นบ่อยๆแล้วเขาจะเข้าใจนะเผอถึงสภาวะหนึ่งเขามีอะไรเกิดขึ้นเขาจะจะปล่อยวางได้เร็ว อมีการสูญเสียเกิดขึ้นสูญเสียเป็นการสูญเสียผู้ที่เขารักนะเป็นผู้ที่เป็นรักสูงสุดนะแต่ว่ามันจะต่างกันนะนะถ้าเขาก็ไม่เคยอบรมจิตมาก่อนเนี่ยเมื่อเกิดการสูญเสียพัดภากนะจากของรักไปเนี่ยก็จะมีความทุกข์มากนะมีความทุกข์เป็นอย่างยิ่ง <c oughs> แต่ว่าคนที่เข้าใจดีแล้วในตรงนี้ถึงความพัดภาคต่างๆเราเนี่ยมันเป็นความที่เรียกว่ามันไม่เที่ยงนะเป็นความทุกข์ เป็นการที it, ่บังคับบ euh, ัญชาก็ไม่ได like, ้เขาจะเกิดความเศร้าเศ้าโศกน้อยลงนะเกิดความเสียใจน้อยลงเพราะว่าเขาเข้าใจมาต้องนานแล้วในตรงนี้เข้าใจมาต้องนานแล้วจิตเขาจิตเขามีความเข้าใจเพราะฉนั้นเขาจะปล่อยวางได้เองนะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็จะไม่ไม่เกิดความเสียใจไม่เกิดความเศร้าโศกยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ง่ายขึ้นนะคือยอมรับความเปลี่ยนแปลงทุกอย่างที่เกิดขึ้นได้ง่ายจิตเขาก็ไม่ทุกข์ เพราะว่าเป็นจิตที่ว่าเขาฝึกมาดีแล้วในตรงนี้ที่เขาเห็นสภาพว่าที่เป็นอนิจจังทุกขงนะังหน้าตาบ่อยๆนะตรงนี้ <c oughs> ก็คือเหมือนกับเด็กเด็กที่ได้รับการฝึกมาดีแล้วเขาก็จะไม่ไม่ทําผิดไม่ทําชั่วได้ง่ายก็เหมือนกันนะแต่ถ้าไม่เคยฝึกมาตรงนี้มันก็เด็กที่ไม่เคยอบถูกได้รับการอบมรมเลี้ยงดูมาอย่างดีเนี่ยพวกนี้ก็จะไปทําความชั่วได้ง่ายมากเลยนะนะอย่างที่เราได้ข่าวมาเยอะแยะเข้ามาติดยาเสพติดต่างๆเยอะแยะเลยนะ ตรงเนี้ยเพราะว่าเขาไม่เคยเรียนรู้ในสิ่งที่ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนชั่วจริงๆนะเด็กนี่มันภาคขาวจริงจริงจรเราย้อมสีไหนก็ติดหมดใช่ไหมเนะพราะฉะนั้นอยู่ที่ว่าเราจะย้อมเขาสีไหนนะถ้าเราย้อมถูกต้องนะเขาเป็นคนดีนะย้อมไม่ถูกต้องเขาก็เป็นคนไม่ดีนะในส่วนที่ว่ามันจะไม่ดีหรือว่าเราอบรมดีแล้วไม่ดีนั้นมีเปอร์เซนต์เหมือนกันแต่มันน้อยนะมันไม่ใช่ว่าเปอร์เซนต์เยอะนะแต่ถ้าเราอบรมที่ดีแล้วนะเกเปอขาต้องเป็นคนดีแน่นอนนะ แล้วก็เป็นกันนะเราอบรมเขาดีแล้วเนี่ยถึงว่าเขาจะไม่ดีบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะแต่ส่วนที่เขารับดีๆได้เนี่ยก็มีเยอะนะอยู่ที่ว่าเราจะอบรมเขาไหมนะในการที่เขาเห็นความจริงเนี่ยแบบ่อยๆนะแล้วเขาก็จะปล่อยวางนั้นเองที่เราก็ฟังครูบาอาจารย์เขาบอกว่าเป็นบาตรธรรมก็เพื่อให้เห็นรูปเห็นนามนั่นเองนะรูปนามก็คืออะไรรูปนามก็คือกายใจนั่นแหละมันไม่ใช่เราใช่ไหมถ้าเป็นเราก็จะบอกว่าเออให้เห็นตัวเราเห็นเห็นกายของเราเห็นใจของเราแต่นเขาบอกว่าให้เห็นรูป เห็นแค่รูปแค่นามเป็นแค่รูปเป็นนามถูกไหมรูปก็คือรูปนะก็คือกายนี่แหละนามก็คือใจนะโดยสรุปมันก็คือรูปและนามนะอย่างที่รูปและนามนี้มันไม่ได้เป็นการแยกนะอย่างว่าเอนี่เป็นผู้ชายนี่เป็นผู้หญิงนะอันนั้นเป็นการสมมุติขึ้นมานี่เป็นพระนี่เป็นโยมอันนี้ก็เป็นสมมุติขึ้นมาเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ก็สมมุติขึ้นมาเหมือนกันนะเป็นมนุษย์เป็นสุนัข เป็นสัตว์ก็สมมุติขึ้นมานะแต่จริงๆแล้วทุกอย่างที่ว่าเนนะครัไม่ว่าจะผูช้ชายผู้หญิงหรือสัตว์มนุษย์จริงๆก็เป็นแค่รูปแค่น้ำเท่านั้นเองนะนะพอเราเข้าใจใตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะรู้ว่ามันก็เหมือนกันจิตมันก็เลยไม่กระทบกระเทือนนะมันก็ไม่มีการเราไปยึดมัน่นแล้วก็มันก็ความทุกข์ก็จะลดน้อยลงตามมาเหมือนที่หลวงพ่อเทียนสมัยให ม, ห ม, หม่ๆอที่ท่านไปมาทำในช่วงแรกๆนะก็มีแมงป่องนะตกลงมาที่หลังเท้าของท่านนะ ตกมาปั๊บเนี่ยมันก็หลวงเท่ก็เห็นเลยว่าโอ้ตัวเราก็เป็นรูปเป็นนามแมงป่องก็เป็นรูปเป็นนามมันก็ไม่ต่างกันนะท่านใจท่านก็ไม่เลยไม่สะเทือนนะท่านก็ไม่ได้กลัวแมงป่องนะตรงนี้เป็นแวบหนึ่งคือปัญญาท่านในชว่วงนั้นวาบขึ้นมาเลยนะเข้าใ จ, จาตรงนี้มันก็เหมือนกับว่ามันหลุดมาเลยหลุจากสภาวะทที่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเออนี่นี่เป็นตัวเรานี่เป็นเป็นสัตว์เป็นแมงป่องมีผิดล้ายอะไรเงี้ยมันหลุดจากตรงนั้นมาตรงนี้คือความเข้าใจว่ามันหนึ่งท่านแล้ว คือการหลุดตรงนั้นมันเป็นการหลุดโดยปัญญานะมันหลุดมาจริงๆนะแล้วมันก็เลยหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นในสภาวธรรมทั้งหลายได้นะแต่ก่อนจะถึงสภาวธรนี้ท่านก็ต้องไปบัธรำมาเยอะพรมครัวแล้วนะในการที่เราเห็นความจริงในตรงนี้บ่อยๆในความที่เป็นแค่รูปแค่นามนี่แหละออกจากความยึดมั่นถือมันทั้งหลายเนี่ยท่านท่านต้องผ่านตรงนี้มาเยอะแล้วเข้ามาในวันั้นการที่เราเห็นแค่รูปแค่นามมันก็คือเราก็ไม่ยึดต่างๆว่าเออนี่เป็นตัวเรานี่เป็นตัวเขาเนี่ย นะมันมันก็เลยลดอัตติถิลงมานะไม่ใช่ว่าเราเก่งเราดีกว่าเขาแล้วนะเราวิเศษกว่าเขานะเราตายอย่างเขานะตายเมื่อเป็นรูปเป็นนามมันก็เป็นสภาวะเหมือนกันหมดนะมันก็ไม่ได้มีใครดีมีใครวิเศษกันนะเพระทุกอย่างก็เหมือนกันหมดมันก็เป็นแค่รูปแค่นามเท่านั้นเองมีแค่กายแค่ใจเนี่ยแพระพุทธเจ้าก็บอกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณคือกายและใจเนี่ยมันไม่ใช่มันเป็นทุกข์ มันเป็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเมตตนบังคับบัญชาไม่ได้อันนี้ก็พระเจ้าก็บอกไว้ตรงนี้ก็คืออย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่ากายและใจนี่เป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเรานะมันไม่ใช่เป็นของเราตั้งแต่นตนแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไปบัติเพื่อการละอัตตานะทไม่ว่าเออมาละอัตตาให้หมดไปแต่จริงๆแล้วมันก็มันไม่ใช่ตัวเราตั้งแต่แรกแล้วนะมันเป็นการปฏ บ, บัตเพื่อจะถ่ายทอนความเข้าใจผิด ในความเป็นตัวตนเท่านั้นเองนะพอถอดถอนความเข้าใจผิดปุ๊บมันก็มันก็เข้าใจนะมันก็เข้าใจตรงมันก็วางได้เลยนะเพราะเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปละมันเพียงแต่ละแค่ถอดถอนความเข้าใจผิดมันก็จะวางได้เองเลยนะตรงนี้อยู่ที่ว่าเราจะเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะวางได้มากน้อยแค่ไหนต่างหากะไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะไปเอาอะไรกับมันแต่เพื่อที่จะวางมันเพื่อจะรู้มันเท่านั้นเองนะมันก็คือตรงนี้นะ ถ้าใครเข้าใจตรงนี้มันก็สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้ง่ายๆไม่ยากนะอย่างที่ครูบาอาจารย์นเขาบอกบ่อยๆเป็นผู้ดูไม่เป็นผู้เป็นต่างๆนะรู้เฉยๆอยากรูก้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีก็คือตรงนี้นั่นเองนะที่ว่าเราไม่ต้องไปเอาอะไรกับมันแค่เราอเป็นผู้ดูเท่านั้นนะรู้รู้ดูไม่ต้องทำนะนาคาว่าทำก็คือไม่ไปแซดแซงเขาไม่ไปยุ่งเกี่ยวเขารู้ไปตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้มันก็ชีวิตประจำวันเรามันก็ง่ายนะเราก็มีความเราว่าเราสามารถ ที่จะทําอะไรก็ได้นะคือว่าเราจริงๆแล้วไม่ต้องไปตั้งหน้าตั้งตาเก็บอารมณ์ก็ได้นะเราก็เราก็รู้ก็ดูไปในชีวิประจาเรานี่แหละเราก็เข้าใจไปตามความจริงเพราะเราไม่ได้ไปบังคับเขาบังคับเออต้องอย่าฟุ้งซ่านนะต้องให้สงบนะต้องให้อย่าโกรธอย่าโลบอย่าหลงนะอะไรเงี้ยมันก็ไปบังคับเขาไปคอยอันนั้นมันดูแล้วมันไม่เคยถูกต้องอันนั้นเป็นการแทรกแซงหมดเลยนะ แต่ถ้าเราอยู่ในจิตประจำวันเราได้เนี่ยทํางานลงครัวบ้างทํากิจกรรมต่างๆในวัด <c oughs> แม้แต่การที่เราว่าเราทำสิ่งต่างได้ทั้งหมดแล้วเราสามารถเรียงรู้กายรู้ใจเราเนี่ยให้เห็นความจริงบ่อยๆบางทีกระทบอารมณ์มาเช่างล้วนะออตอนนี้มันยังอยู่ไหมสังเกตกันนิดหนึ่งอออยู่ก็ไม่เป็นไรนะรู้เฉยๆไปก็พอแล้วไม่เป็นไรอาจจะอยู่ก็อยู่ไปนะหรือไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรอีกนะเ อ, อเนี่ย ถ้าเราสังเกตได้ตรงนี้มันการปฏิธรรมก็จะไวนะแต่เราไม่ไม่ไปกระทบอารมณ์อะไรเลยอยู่เงี้ยทั้งวันเงียบๆไม่กระทบอะไรมันจริงๆแล้วเร า, เราอาจจะนึกเราเก่งซะอีกนะโอ้เราเก่งแล้วเราไม่มีอารมณ์อะไรแล้วเราสงบเราวิเศษแล้วเนี่ยความเป็นตัวตนก็จะเกิดขึ้นมาอีกใช่ไหมตรงนี้เราต้องสังเกตให้ไวนะไม่งั้นมันก็จะไปติดความทิดตัวเราเก่งตัวเราเป็นนักปฏิบัติเราดีแล้วเนี่ยมันเป็นความเป็นตัวเป็น ต, ตนทั้งนั้นเลยนะอ่ามันก็หลวงพ่อชาท่านก็บอกว่า สนามรถบางท่านเนี่ย อ, อยู่ในตัวเมืองไม่ใช่อยู่ในป่าในเขาหรอกใช่ไหมหลมงอเทียมบอกว่าเออลองดูเด้ไปต่อยมวยนะต่อยมวยใครก็ต่อยแล้วเนี่ยเราทนได้ไหมนะต่อยไปชกนักมวยจริงๆนะต่อยเรามาเราทนได้ไหมเนี่ยใช่ไหมตรงนี้สําคัญนะ เ, เมื่อเราเราเข้าใจก็คือเรากระทบอรมณเนี่ยเราทนได้ไหมนะถ้าเราอยู่ในป่าในเขาก็คือเราเราไม่ได้ชกมวยกับนักชกจริงๆหรอกก็ชกกับ อาจจะเป็นกระสอบทรายนี่แหละเราเราก็ซ้อมมาทุกวันนะสบายมากนะอแต่ว่ไปชคนักโชคกเจอันนักมวยจริงๆนี่เราโดนเขาต่อยตุมเดียวเราเสร็จเลยสลบเลยนะแต่เราเราชกมวยทุกวันน่ะชคกับนักชคจริงๆทุกวันโอ้เราเริ่มจะรู้แล้วเออมาชคมาตรงไหนเราจะหลบทันนะโชคมาบางทีโดนเราแล้วก็ทนได้โดนบ่อยบ่อยก็ทนไดนะ้อันนี้มันจะเป็นความชํานาญมากกว่านะคือการชํานาญของจิตเรา ที่ว่ามันสามารถที่จะเข้าใจสภาวธรรมต่างๆได้แล้วมันจะรู้ว่าเออมันก็เข้าใจนะมันก็เป็นเช่นนั้นเขาเองนะมาไม่เป็นไรมาล่ายก็ไม่เป็นไรเราเข้าใจเขาแล้วนะเราก็มีหน้าที่เรียกว่าเราเข้าใจเท่านั้นเองนะมาล่ายก็ไม่เป็นไร <S <S <os> พอเราเข้าใจเราก็ยอมรับทุกอย่างนะมันมันเป็นเรื่องธรรมดาเรายอมรับได้ง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องยากหรอกนะแต่เมื่อก่อนเราก็ไม่ยอมรับเรื่องไร้ลายนะเพราะไม่ยอมรับ พอจิตเราไม่ดีแล้วก็ไปทําให้เขาดีนะอันนี้เราเราไม่ยอมรับความจริงจิตไม่สงบก็ทําให้เขาสงบต่างๆนี่ก็คือไม่ยอมรับความจริงแต่เมื่อเรายอมรับความจริงแล้วมาจิตจิตไม่ดีก็ไม่เป็นไรจิตไม่ดีก็ไม่ได้ไปทําให้เขาดีหรอกก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็คือเราเห็นความจริงเรายอมรับความจริงแล้วมันก็จะง่ายในการปฏิบัติธรรมเพราะไอ้จิตไม่ดีมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่นานหรอกใช่ไหมตั้งประเดี๋ยวแล้วเขาก็ไปแล้วพอเราไม่ฆ่านี่เขาไปเลยนะไปรวดเร็วมากเลย แต่เราไปให้ค่าปุ๊บนะ เ, เขาอยู่กับเรานานเลยนะยิงหรือเรายิ่งไปทำให้เขาดีเนะี่ยเขายิงอยู่กับเรานานเขาก็ไม่ไปง่ายๆหรอกเ <c oughs> นี่ยตรงนี้นะ ม, นมันเป็นสิ่งว่าเราเรายอมรับความจริงได้ไหมเนี่ยใช่ไหมมาร้ายเราก็ไม่กลัวมาดีก็ไม่กลัวเนี่ยถูกต้องอามาดีก็ไม่ไปยึดติดเข า, เาดีอันดีเราต้องดีกับเราอยู่กั บ, กบเรานานๆ น, นะต้องดีตลอดไปนะดีถาวร <c oughs> ตรงนี้นะเป็นความทุกข์เลยนะ ต้องดีถาวบอนี่เป็นความทุกข์เพราะว่ามันไม่มีอะไรถาวบอลหรอกใช่ไหมทุกอย่างมันไม่เทียงทั้งนั้นนะใช่ไหมมันไม่มีการดีถาวบอนะอยู่ที่ว่าเป็นค้างคาวทั้งนั้นนะทุกอย่างเป็นค้างคาวดีก็เป็นค้างคาวชั่วก็เป็นค้างคาวเนี่ยอันนี้คือความจริงนะแต่ถ้าเราไปทําะไรมันถาวบอนนะมันก็เป็นความทุกข์แล้วนะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ใช่ความจริงนั่นเองนะการมาทําก็คือให้มันกลับมาเห็นความจริงตรงนี้บ่อยๆนะว่าทุกอย่างมันก็เป็นแบบนั้นเอง ดีหรือร้ายชั่วถูกผิดนะดีชั่วถูกผิดทั้งหลายแหล่มันก็เป็นของชั่วคราวทั้งนั้นนะอยู่ที่เรากลับเห็นความจริงในตรงนี้ได้ไหมนะแล้วเราก็จะความยึดติดของเราก็จะค่อยๆลดน้อยลงไปเรื่อยๆนะดีว่าที่จะให้เขาถาบอนนะมันไม่มีอะไรถาบอรหรอกนะเราไปบัดทําเพื่อให้เขาดีถาบอนเขาก็ไม่ถาบอรเราก็มีความทุกข์เมื่อวานนี้ไปบัดดีนะวันนี้ไม่ดีนี่เราก็ทุกข์แล้วเพราะเราอยากเขาดีถาวร น, นั่นเองนะ แต่ถ้าเราเ อ, อมื่อวานดีวันนี้ไม่ดีนี่กลับมาเห็นความจริงตรงนี้ดีกว่านี่เขาแสดงความไม่เที่ยงเราเห็นแล้วนะแสดงเราบังคับเขาไม่ได้นี่แหละจิตก็จะค่อยๆมีปัญญาเกิดขึ้นในตรงนี้นะในสุจิตก็จะเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้ตามความเป็นจริงก็คือดีก็ได้ชั่วก็ได้ก็อยู่ได้ก็คือมันฟุ้งซ่านแล้วก็อยู่ได้นะมันไม่ต้องสงบก็อยู่ได้เนี่ยมันมีความทุกข์เราก็อยู่กับเขาได้มีความโกรธก็อยู่กับเขาได้นะอยู่กับการขึ้นขึ้นลงๆในจิตนี่แหละใช่ไหมไม่ต้องไปบังคับหรอก เวลาจิตขึ้นขึ้นลงลงทั้งวันเราอยู่เขาได้ไหมเนี่ยตรงนี้ดีกว่านะ ท, ที่ว่าเออต้องต้องต้องปกติราบเรียมทั้งวันนะแล้เราก็มีความทุกในการที่เรียกว่าเออเขาไม่ปกติเราก็เป็นความทุกข์อีกแล้วนะก็ไม่เป็นไรปกติเราก็ไม่ทุกข์ไม่ปกติก็ไม่ทุกข์เนี่ยตรงนี้มันก็เป็นความจริงแล้วเราก็อยู่กับเขาได้ตลอดเวลาโดยที่เราก็ไม่ได้มีความทุกข์ในตรงนั้นกลับจะดีกว่าใช่ไหมเนีมาเห็นความจริงตรงนี้บ่อยๆเนาะแล้เราก็จะค่อยๆเข้าใจ สภาวะความเป็นจริงในความที่เรียกว่าอนิจจังทุกขงังตาเทศ่พระพุทธเจ้าได้บอกไว้แล้วว่าทุกอย่างนะเราบังคับเขาไม่ได้หรอกใช่ไหมเมื่อบังคับเขาไม่ได้เขาจึงทนในสภาวะเดินไม่ได้เมื่อทนในสภาวะเบินดำเดินไม่ได้เขาจึงแสดงความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงเราเห็นเนี่ยมันจะค่อยๆเข้าใจในสภาวะตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเราเราเ ร, าเราไหลไปตามสัจธรรมนะผู้ที่เข้าใจสัจธรรมตามความเป็นจริงแล้วซึ่งสัจธรรมนี้มีมาก่อนแล้วนะมีมาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นอีก นะเป็นของจริงที่ประจำโลกอยู่หลายเพียงแต่พระเจ้าได้พบความจริงในตรงนี้ของไสยธรรมและท่านก็มาแสดงเราเห็นในตรงนี้นะเพื่อเราเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจปุ๊บเราก็ตรงต่อไสยธรรมปุ๊บเนี่ยเราก็จะค่อยๆจะความทุกข์ได้ในที่สุดนะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่พวกเราสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกคนนะนะในท้ายสุดนี้ก็ขอรัตนาบารมีคุณพระราตรน้อมนับทุกท่านเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญาละถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพานทุกท่านเถิด